โอ ย, โอ ย, โอยมันอ้อยมันอิงมันเพลิอยู่ในนั้นเฉพาะไม่เกี่ยวกันเลยรล่ะไม่สนใจนนนอะไรนั้นนะเพลินมันอ้อยมันอิงมันอัศจรรย์ฮึดูซินั่นอ่ะตัววาตถุตัววัตถุจะใช้ขนาดนั้นอ่ะถึงแล้วถึงรู้ตัวของมันแทบโอ้โหมันขนาดนี้วันมันแสดงไปโ น, น, น, น, น่มันถึ ง, งดได้หลงเลี่องยามยาของมันอันนั้นมันส่งสมุนตัวไหนหลอกไหนติดหมดติดหมด ขาดโลกตึงหมกตึงเข้ามาตือหลุนตวงมันมันฉลาดยิ่งกว่าไข่มันละเอียดอ่อนยิ่งกว่าอะไรนั่นความสง่าความเผยความสะอาดเหมือนกับโอ้โหยไม่มีววอะไรสู้อ่ะความสงอากล้าหารเด่นร่างกายไม่มีเลย เพรออาะอำนาจของอวิชชานี่มันส่องแสงสาว่างออกหมดเลยนี่หน่ะหรือว่างไง น, น, นั่นแห ะ, ะนั่นแหละจอมกระสับวัตรจักรกระแทจอมวัตรจักรระแทะที่คลองหัวใจนี่สว่างออหมดเน่ร่างกายไม่มีเงมันก็เป็นร่างเฉยๆักเสาร่างเป็นเ ง, งาเงานี่ยแต่ความสาว่างนี่มันไปเล่นอยู่เบื้อยู่กับที่ของมันก็น น่นเหมือเวลามันทางทลายขงประจักษ like so oh, oh, oh, oh. oh, really? ์จิตน่นมันถึงได้เห็นนะที่นี่กลับกองข้ามให้นะไอ้ชี่ว่าอัตจันเหมือนตัวเหนือโลกเหนือองศาลนี่กลายเหมือนกองขี้ควายไปแล้วทีนแล้วตื่นนะที่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหเลยอ๋อขนาดนี้เิขนาดนี้จะเลินะคือธรรมชาติที่มันถูกครอบมันจะเต้นกว่านี้อีกเท่าไหร่ความพิเศษนั่นอ่ะนะท่านัถึงว่า ทำอาจรนั่นแะคืออารรู้จะอาจารเพราะอนั้นไม่ใช่อาจรยออ์เพราะอวิชชาอันอาจารย์เอนั้นเพร า, าะวิชาขาดแตวา่กนแล้วอ น, นั้นที่ไม่แสดงตัวมาเองที่เนี่ยที่พระองค์พระไททเ่นทั้ทงทยืมุม่งความจักรรสองเพื่อความเป็นศสดาสอนโลกพื่พอมาถึงตุกจริงๆนี้แล้วทรงข้อพระทยัยเล โอ้โหลงขนาดนี so, like iro, <us> <ts in tää hetto> ้ใครจะไปรู <t eman ngày> ้ได้เห็นได้นี่มันคือวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วถึงขนาดนี้แล้วเลยท้าพระไทรของฝวายน้อยในขั้นเริมเลยคือยังไม่หลีกจานออกไปนะปัจจุบันที่จะเจินที่แรกเป็นท้าพระไทยโอ้โหลงขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครพูดภาษาเราเขาจะหาว่าบ้าเลยว่ามันพูดยงไงเพราะว่าสมัยเขจะว่าบ้าทั้งโลกอื่ เปนความมันขวายนอนนีกมันก็ไม่นานนี่มันก็จับตัวนั้นแหละอะถ้าว่ามันคือว่สัยของโลกผู้จะรู้ได้แล้วเราเป็นอะไรนะเราวิเศษวิสุขก่อโลกเป็อะไรเราถึงมารู้ได้เรารู้ได้เพราะเหตุไรเรารู้ได้เพราะข้อปฏิบัติเนี่ยก็เมือมือข้อปฏิบัตสอนข้อปฏิบัตเขาทำไมเขาจะไม่รู้ไม่ได้นททเนี่ยก็คือปฏิบัติทรรมี่วิธีการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอาอะไรที่มีแต่พระไตรลักษณมเป็นเขาเม่มา ออกนั้งกับพมมาจโรกาพอไปสอนเป็นเจ้าี่ทั้งห้าได้ป็สถูปปัญญาเออเอาละที่นานเพราะพระองค์พระองพระญาณนึ่นะลงอย่างสร้างําหนดปะบาปเบวิโรกานังเลียญานดูสัตวตโลกด้วยพยานอันกระจ่างเชื่อใครมีปนิสัยใครทีู่่ควรได้จักรรทปทำปกเสืออัญชักนี้ก่อนใคร พอเห็นดาวหดทั้งสองคือเคยเป็นครูทันก่อนก็ทราบพรอมโอ้เสีาดายตายเช่นนี um, ้ sí. ัอนเย็นวานนี้ทุนาอีกเดินตะว่าข <uit> ี่แน่ปุ๊บไปเลยเสด็จไปเลยเราจะเดินถึงฤกษ์ฤกษ์ทีมีอันตาวใบเจินเซียตระบาร์ถ้าอยากคนญยากก็เึนแล้วารู้ด้วยคำ ยังคิตสัปันตังยัวสัังยงจิสงุัยสัมังสัันตังยัวสัมังทุกสิ่งอย่างเกิดแล้วต้องดับทัดถึงจิตอัญญาเนี่ยเรียนรู้ความจริงขึ้นมาขั้นเริ่มแรกของธรรมเป็นความจริงธรรมคือโซดาโพลก็ทรงเปิดมิางขึ้นอัญญาที่ิปตะโบคนอยู่อัญญาชตคนอยู่อัญญาทรีจะรู้แล้วหนอเรยรู้แล้วหนอจากนั้นก็แสดงอันนั้นตลักนัดสุทม รูปังอริจังรูปังอนัตตาเวทนาอริจาเวทนานัตตาสัญญาอริจาสัญญานัตตาสังขาราอริจาสังขารานัตตาวิญญาณังอริจังวิญญาณังทุกขังวิญญาณังอนัตตาฟ้าลงไปอย่ายุ่งถึงเนี่ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งน่นปวดห่ายสายเรา้าปฏิบัติอย่าดึงปล่อยหรือว่าทำมมันติดพันธี่ทำไมปรีงเนี่ยมันดูดเลือดดูดเนื้ออย่างนี้เห็นไมปรีงทั้งหมดแล้วเนี่ยปดงน่ายวางนั่นนะดึงออกดึงออกดึงออก แต่ว่าทำพลาดปฏิบัติทําไมมันมีอยู่น่ะใจิตเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติมาตามปฏิบัติสองท่านาเทศอันนี้ใกลละโอ้ท่านเทศอนัตตาอนัตตาละนันะสูงนี้ฉันรับผิดอันนี้เพูดอย่างหนึ่งว่าหนึ่งถ้าท่านเทศให้พุ่มผู้เก่าเก่าฟังก็เทศให้อันไม่เกี่ยวขี่ตั้งห้าเนี่ยใหม่ใทั้งนั้นท่านทํามาทัานเทศเพียงเข้าเนี้ เนี่ยมันจึงทําให้พิจารณาถึงเรื่องผู้อ่รัชนานังสือว่าเป็นคนเช่นไรจริงโนนตอนไปรับกันได้จริงหรออริสตาปียาจะสูตรมันหาที่พานไม่ได้เลย ท, ทั้งภาพกับอิรัปปรรลกลนะูปัสพิปีนิบิดะตินี่นี่ทะลุไปเลยนะสัญญาเนปีนิบิดะติสัญญาสัมพัทธ์เพศปีนิบิดติ จำไปดังจำลืมไปแหละถ้าเรามานยนต์มาว่าเอานึ่งอาลืมท่าสวดเป็นส่วดไม่ลืมนะั่นเองของส่วนได้ที่นี่คือเบื่อรูปเบื่อนายในสิ่งนี่สิส่งที่สมบัติกับรูปเบื่อนายในเวทนาความรักข้ามในรูปแล้วก็เบื่อนายไปเรื่อยๆชุดท้ายมนาสเม่งเป็นิบิลิตินัน่นตอนจะเอาจริงๆนะเบื่อนายในจิตผุนนลฟังสินั่นอ่ะอวิชยยัยตรงนั้นไปถือได้หรือตรงนั้นนั่น มสมาธิมเ่ปิโลภิติทำเมธุปิโลภิติอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากกิจก็ก็เบื่อหน่ายหมายว่าเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษคุยหนางคุยง่ายว่า ง, าางั้นแหละแลอาการที่เกิดขึ้นจากนั้นทั้งหมดเห็นโทษหมดสมาม่งปิโลภติทำเมธุปิโลภิติทเมเปิโลิติทำเมวิญญาณปิรลภิติทำเมสัภสมภะเจปิโลิติมมม่มีดังไอะไรลืมไปแล้ว จะตัดมิ่งปีวิตีนั้นสรุปความแลยวเ <c oughs> บื่อหนายทั้งหมดบรรดาที่อยู่ในจิตนี้ที่มาเกี่ยวข้องกับจิตนี้เบื่อน่ายทั้งหมดคือหมายถึงเห็นโทษทั้งหมดนี่บิดางวิละจิตวิละวิละกายวิมุตติเมื่อเบื่อนายทั้งหมดแล้วก็วิราจติ็จิตก็ยำบุกวิละกายวิมุตตินันเมื <c oughs> ม่อ โดยเห็นโทษทั้งหมดแล้วก็ไม่หน่อยคําว่าอกําหนับกําหนับนี่ไม่ได้หมายถึงกําหนับยินดีแบบแบบอย่าันนะหมายถึงความยินดีและละเอียดตามคําคนั้นท่านไม่มีชื่อที่จะให้เรียกท่านก็เลยเรียกว่ากําหนับเฉยเบืนยินดีคําจริงมันทํานั้นทําละเอียดแต่หาคําที่จะพูดให้ละเอียดเหมือนนั้นมันไม่มีความดีมันจะนี้มือจะมีจิตหญ้านางโคติ ความเบื่อหน่ายชาความกําหนักบินลีจะหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกผิดกระลุกพ้นมุตสิามิมจะมีตริญาณังโหติเมื่อยานเมื่อความรู้แจ้งหลุดพ้นว่าหลุดพ้นแล้วเมื่อความหลุดพ้นแล้วยานความรู้แจ้งชัดว่าหลุดพ้นแล้วก็ย่ำปรากิดขึ้นพร้อมๆกัน ง, ง, งามตรงนั้นหาดีค้านมาได้ตั้งแต่เรื่อยไปตั้งแต่นี่ยแต่อ น, นั้นแต่ละคณะสูงนี่ท่านพูดเพียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวินญาณเบื่อนายม ในรูปประธานธนาคานิยามเป็นอนิยางทุกขังหน้งตาเมื่อเว่ า, าย่อมคายกำหนั่เนี่ยเพียงเวลาเท่านี้ราคายกำหนั่คลายกำหนา่แล้วกี่ร้อยหมู่นพ้นรุดพ้นไปได้งไงอวิชช า, ญญาอยู่ในนั้นนั่นเวลาภาปฏิบัติมันไปแยกกันตรงนั้นต้องเข้าไปนั่นอีกอะไรทําให้คิดแต่ไม่ไม่อยากคิดมากไอ้เราเหนูตัวหนึ่งเท่าหนูตัวนึงนี่แต่เวล<ส>าการพิจารณามันไม่อยู่เพียงแค่นั้ น, นสิมันไม่อยู่เพียงขันห้าเท่านี้นี่นะมันไม่ให้อยู่จะอยู่ได้ยังไง พิจารณาขันห้ามมันหมดแล้ว hmm. มันรวมตัวเข้าไปอยู iction, no ่ที่นั่นโคมันทนท่ออยู่เนี่ยเหมือนภูเขาทั้งลูกมันกองอยู่ในกิตนั่นงันจะไม่พิจารณาจะไม่ดูได้อย่างไงนั่นะเวลาขันท่ามันขาดจากการหมดแล้วตับมันเป็นเกาะอันเดียวอยูแค่นั้นน่ะตอนนั้นตัดสะพานขาดกันหมดลูกพิจาณาสัญญาณเป็ารขาดกันหมดด้วยการปฏิวัติรู้ได้ชัดๆอย่างนั้นที่มันก็เกิดเป็นเกาะอยู่นั่นน่ะแล้วมัทําลายเกาะนั่นมันก็เป็นเกาะอยู่นั่นในที่ในทะเลมันจะเรียกวทะเลราบก็ได้ย่างไร เกาะนั่นคือเกาะวิชามันเกาะติด อ, อย่นั่นอ่ะห้อมติดอยู่นั่ น, ออออ น, นพอฟาดตรงนั้นขาดสะบันของก็แล้วมันก็แตกกระจายราบหมดเลยนั่นมันเห็นชัดๆอยู่งั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าจะข้ามกับข้าในจริงๆนะเนี่ยอเออที่เราพี่นาเรื่องการท่าแเราค้นแล้วเาใครว่าพี่ารื่กันท่าเสร็จแล้วค้นแล้วไม่ได้เชื่อเลยว่างั้น <c oughs> เมือ น, ต, นตัดต้นไม้ตัดตะกินจะกล้าเข้ามาตัดมังม่วาเอาตัดเปลหัวตอนเฉยลากแก้วไม่ถอนพรวดขึ้นมามนขเขางอขึ้นมาได้อีกถอนพรวดขึ้นมาถ้า ห, หมดแล้วกินก้านและขาต้องไปยุ่งกับมันแหละตายด้ยกันหมดนั่นแหละน่าปฏิบัติเนี่นนนยฮาร์ดหมดดุนดาวเกาหมัดเฉยมันเนย ธรรมยเจ้าของจริงแท้ทำไมว่าปฏิบัติมันได้แต่ความเร็วไหลไหลที่มันโมโหนะครับพรานะสอนสอนแฉลบล่มแฉตายปฏิบัติมันเร็วๆไหลไห ล, ไหลไเหรื่องกิเลสเยียบย่ําทำลายอยู่ในทางจงคมอยู่ในที่สมาธิภาวนานี้แต่กิเลสทํางานเราว่าเราทํางานเดินจงจกมหยับหยจองหยับยุดไม่รู้ไปไหนนี้แต่กิเลสทํางานอยู่ในบงความเพียร มาเรามาทวงเอาค่าเอาคุณมาทวงเอาคะแนนมากำหนดตีทำเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นอีกแหละเยียวเข้าไปอีกสองชั้นสามชันช้นเรื่องอะไร <c oughs> พูดเหมือนบ้าพูดว่างะไรแล้วพูดกันเองพูดอย่างนี้แหละท่านอาจารย์หมอมันถึงถึงใจวะ <c oughs> นางภาวนายังไม่ถึงห้าวินาทีไปแล้วกิเลสลากไปแล้วไม่ทราบ <c oughs> ไปไหนสี่ทวีปแล้ว จนกิจนจนอิ่มกลับมาความารู้ตัวที่ไหนได้มันกินจนอิ่มแล้วเอาตับไปหมดปอดไปหมดแล้วไม่มีเหลือคนทั้งคนไม่มีเหลือตับเหลือปอดเหลือแต่ล่างเออเนินเวลาจะรู้เรื่องของมันให้สติปัญญาทันเข้าไปทันเข้าไปถึงรู้คนมันโอมันแหลมคงกันาดไหนยี่เลยยับมันตรงไหนมีแต่เรื่องของยี่ <c oughs> เป็นลูกเป็นหลานเป็น เหลนเป็นปู่ย่าตายายมันไม่แต่ตัวรวดลายทั้งนั้นที่จะแทมเปี้ยนทั้งนั้นไม่ธรรมดารวดเร็วขนาดนั้นเพราะนั้นสติปัญญาถ้าไม่ฝึกยิงไม่ทันนาบอกจะทันอย่างนี้อะตายก็มันตายพี่การฝึกหัดการดัดแปลงจ้ของการทรมานที่เลธของเจ้าของเพื่อขดัดพัดไปจากใจจะมากลัวทุกข์อยู่ทำไมถ้า ต, ตายก็ผู้เดียวตายก่อนแล้วนั่นเพียงแค่สลบเท่านั้นไม่เห็นตายว่ะ ถ้าตายสาวกข่านตายไปแล้วจไปชี้เล ย, ยังไม่ตายท่านตายไปซะ ก, ก่อนนะท่านชี้เลดมันเหนื้อทำได้จริงๆนะแต่ชี้เลมันไม่เหนื้อทำที่ชี้เลดจริงต้องตายท่านยังนะนี่พระองค์ก็่าท้าแตกเบญจกรมพระโสดนะว่าไงในตำรามึงพระองค์จากสุแตกพระจ้าขูบาลสุดท้ายชี่เลดก็าแตกท่านไม่ตายยังจากสุบอดเท่านั้นนะ่ะบอดช่าง้งเทอตาเนื่อน ขอให้ตาใจใสว่างเจ้าฆ่าขี้เด็จขี้ขายค อ, อนางภาพเทศเป็นคนโโนิสัยโกลโกโศเทพเมื่ปเข้สู่พระเดือนบอนต้องขอไปนะเทพผ่าทโผนเป็นตามนิสยัยอันนี้จะว่ามันเป็นตามนิสัยก็ากถูกเป็นไปตามเพราะว่าวิธีการฆ่าขีเด็ดเราเคยทำมายัางไง มันก็ไม่ค้นที่จะน MM ํานั้นออกมาพูดจนได้เราฆ่ า, ากิเลสเราฆ่าวิธีไหนฆ่าวิธีผ่าผลก็ต้องเอาวิธีผ่าผลมาพูดในหมู่เพื่อนฟังกิเลสแบบนี้ต้องใช้แบบนี้กิเลสแบบนี้ต้องใช้แบบนี้ต้องใช้แบบนี้อย่างนั้นแม้เงั้นไม่ทันเพราะไม่มีกิเลสตัวใดที่สูข้ามในหัวใจผลเพราะที่จะไปค่อยลูบคําำกิเลสก็ตายไปตายไปลูบคำไปมันตายไปลูบคำไปำมันตายไปโโหมันก็เรียกพูดหมดแล้วกิเลสคิดหายหมดเลย ปัญหาที่เขาส่ที่เด็กไม่ได้เต็มแผ่นดินเต็มโลกอาติเขาใครลูกไปที่ไหนที่เด็กก็ตายครรมไป็นไหนเด็กก็ตายอันนี้ไม่ได้ตาเพราะลูกเพราะกรรมตายเพราะเพราะเอาชี้ิตาแหละผึงปังผึงผึงเลยบางครั้งถึงก็ว่าชีวิตนี่ไม่มีเหลือเลยเออมันเคยชละมากมัม้งกี่ครัง้งเอาตายเอาตายตา ย, ตายว่างงันเลยชีวิตมันอาถรรพ์ด้วยนะ เอาตายเธอวางกันเลยเกินมันข้ามนี้ยังไม่เคยตายอที่เดยดไม่ตายให้เราต า, ตายเราไม่ตายให้รู้กําลังจิตเมื่อมันเต็มที่แล้วมันเหมือนกับเอาหัวฟาดภูเขานี่เหมือนกับภูเขาจะแตกไปทั้งโลกทั้งทั้งแต่มว่าเราแหลกไปแต่มีห ม, มายถึงมันความเด็ดของจิตเราไม่ต้องเสียดายเรื่องความเพียรงเราที่จะพอ่งได้เพราะผลของความเพียรมันอยู่ี่ ประจันกันใจมคงขาดไหนมีอะไรหน้าอะไรธรรทานนั้นไม่ร่อยเนน้ธรรมทานนั้นไม่รเป็นนี้เนี่ยนิสยัยของเราเีนิสัยหยาบผมพูดจริงผมมีเป็นน้สัยหยาบนะน้าน้าที่เราจะเห็นได้เรื่องความเปลี่ยน้าธรรมดาทาลำหนังไม่เรื่องกับผมอ่ะไม่ว่าจะขั้นต้นขั้นไหนก็ตามมีกินจังกับมันน้ำมันกานได้ ม, มัดมือชบเลย คั้นสงบของมัดมือทบแบบมัดมือทบแต่ตอนโน้นเราที้งแต่ตอนที่ว่ามันอัตโนมัต้วอันมันเล้องเอาไว้ที่เลือกพอถึงขันนั้นแล้วความขี้เกียจมันหายหน้าไปหมดเลยไม่มีเหลือยิงนะมันก็ไม่กล้าอย่มันจะเหลือลยไรก็มี่จิตจิตเอเอาเอาข้าเยะเลยมันเยงเอาไว้มันมันเลยถอบ ก่อนเลยพูดท่านถึงขังน้นระยะมีนไม่รู้จักเป็นจักตายอะไรไม่รู้จักเป็นจักตายไม่รู้จักสถานที่ว่าน่ากลัวหน้ากากอะไรไม่มีเลยนั้นไม่ไปสนใจกับข้างนอกเมื่อเราจะเสือจะมาห้าตัวนี่มันก็ดูจะไม่เสนใจนี่ดีกว่านี่มันมีอะไรมีน้ําหนักกว่านี้ถ้าเกิดว่านะคือถึงระยนแล้วมันไม่มีอะไรอภายนอกถ้ามัวเสือมันก็ปุ่งยับขึ้นมาแล้ว มันก็ลู้ของมันเชียวทั้งขานเป็นเสือเสือมาทีไหนทั้งขาเป็นเสือตัวนี้เป็นไผ่เนี่ยมันมารู้ตรงนี้เสียเหมอนยักดเหมือนกับผ้าแม่เลยนะพอถึงขั้นนั้นแล้วมันเลยยัดเป็นตัวเป็นตัวเสือมาอะไรคือมันว่างของมันผลงานยัดมาก็เป็นผ้าผ้าเสือก็มันเกิดขึ้นมานี้มันก็รู้เสียว่ามันปรุงเป็นนี่เนี่ยมันเร็วมันทนได้ มันก็ดับพร้อมัเสียจะอะไรมาสิดต่อแล้วจะให้มีความกล้าความกลัวอะไรที่ไหนไกันตรงนี้สิงที่ที่ที่เขออกมาจากจาาติพ่อมจารย์ยังต่อไปอยันั่นอผมมันจะเลือนเร็กว่านี้อีกเฮ้ยันผ่านไ้ เขาได้ครัเป็นนไม่ได้นี่คือี่พิจมาอะไรตะกอนครับมันติดตรงไหนที่การเรีท่านท่ใส่ขานอยู่มันทะลุไเลยนะเห็นเลยว่นาพิารณาไม่ได้มันติดปัญหาของตัวเองครับพอมันคุ้ยเขี่ยขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอยเพราะเพาะปัญหาปรากฏขึ้นมาเราไม่ได้เยกว่าได้งาน ที่เ้าเอางน้หยุดไม่เป็นอาขอมันถนดถิ้นกันลงวเหตผลทุติกันลงดเผลขาดไปวบ้านลงดเหผลหืมก็เาะาอยีกคนคุ้ยเหี่ยมันก็เป็นงานนี้งานคุ้ยเขี่ยพอเจอแล้วก็เอากันหละเนี่ยถูกดีนี้เรื่องความเปลี่ยนม อ๋อด้านหล <c oughs> ังอ๋อจอ่อนจจันทร์อยมองไปที่อื่นะเหนือใจนะอย่ามองข้าหมหัวใจนะดูนั่นก็จิตมันทางานองไรมันรู้อะไรองไรมันรู้เรื่องโลกเรื่องธารมันรุ่นมันไปาทางกิเลสที่ไปาทางสัมมมันจะดอยู่ังอยู่ตู้เวลามีกระสรรือแล้วดูกันดีกว่ หัดคิดหัดพิจารณาใส่จองปัญญานมหัไม่ไนะ้ัถเปนัญญาที่มาเรีนม่จริงผมไม่พูดงาฟอนเติ ม, ม, มเติมอ่ะมันม่นติดสมาธิอ่ะตอนเตมมันจันติดสมาธิวัพานจะอยู่ตรงนี้เยมันติดที่รูดึงอยู่อันเดียวเนะนี่ยพนเนี่ยเอาการมันก็ไม่เหลือไม่ได้แค่ มันพาดมันจิตมันลังแต่อะไรเเกี่ยวยงกับอะไรไม่เรื่อยโอ้ยใช้ปัญญามันพลาดมันพังแบบจึงรู้โอ้โหไม่เกี่ยวโยงอย่างนัญญนน้นปัญญาที่ตัดส้นธรรมาช่วยทุื่องเอาเคณมารวมตัวไม่มีปัญญาสกัดไม่ข่าดเรียนสมาธิมงกล้าพูด มงนที่เราทำงานได้เกิดอยาฝังหลังเลยขานอกจากทิปาปิยาผู้บรรลุเหล่านีจะเป็นไปได้เราไม่สนใจตรงนีแต่ธรรมราเราท่านจะลองเถิดเราได้ทาแล้วเห็นกระจกเรากล้าพูดเลยที่ศิษยธที่อยู่กลางๆจังเงินห้าปีจริงเหรอท่านขาจอขิดมาละ ถึปางาาถึงคือห้าปคือสี่ปอห้าเริ่มที่เริ่มออกปัญญาถึงห้างห้าเป็นจนไปแ้มกับิาณห้าปีกว่าเวลาเลยงาันีีด้น เป็นมาที่เกมีสัมผัสสัมพันธ์อะไรๆมันเหมือนกับว่าคนที่เกลียดไปตากแดดตากฝนบ้างพอจะจะตายตะทำไมล้มมานอนหาไข่แห้งไขห่างนี่นะ้น่าทํามาธมันเนียบไปไมีอะไรเลยลื่นลนเนี่ยขมือ้าไปปวดเลยสบามันได้ทัานั้นึกท่าติดสาธิ จะเปยขาอันนี้เองดยยูข่าไม่่อันน <h MEL Thanks> mm ี hmm ้เองโดยยูข่าโอ้โหถอ้างนอกใจแข็งเลยล่างหทั้งออตวเยโอ้โมัเกี่ยวกัสามกสี่ขั้นสี่หลุดแล้วมันเลือดขุ่นยังไตัวปัญญาเนี่มันพังแล้วขั้นสี่ประเภทนี้ ธรรมีิตไม่หิวโหยพาทางานก็ทำไม่เผลอเลอท่านคิดว่าธรมที่ปฏิภาณตาปัญญาขัาูถึงห้ยง่ายคือตที่เป็นธรมที่แล้วกิไม่หิวโหยจิตอื่นตัวตามขนธมที่ที่นี่จะพาทำงานแล้ก็ทำที่ทำงานปัญาเป็นปัญญาจริงไม่เผลอเผลหิวโหยกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้จิตที่เป็นธมาีิมันเป็นนะุมันย เราอยู่ท่งนนปัญเป็นไหั้งมั้หกเตะนี่ไม่มาทางานสัญญาไม่ทําสัญญาลมเนั่าใจังหวัดเรียนตนอารมณีเราจะตายเราจะพดกับโลกเขความต้องอกมามีบ้างถ้าเป็นเธรรมดาของจิตเราเป็นพฤกษ์าก็เป็นอย่างน้เราก็แยก การเ่งที่เราจะเอาปัจจุบันหนึ่งเอาปัญญาเป็นสมาธิมันก็เป็นอีกอยาหมือนกันเรืองความทุกข์นี่แหละทาให้เป็นบัรญาความทุมกข์มันดีสังคับปัญญามไม่เ ห, หมอืนอนตัวไม่ด้เหมืนอย่ง่นเรื่องเรื่องอื่ จำไดทุกเนี่ยทุกงงนะแต่ความจำมือมานเจ๋งนะครับมักโคลงว่ามันจิไม่ลืมเลยนะคือไปเพียงกระทานั้นไม่มีลืมอยู่ก็จิตแต่เนี้ยจิตก็ดดูเรื่องรอวที่เราพิจารณางนมันเหมือนกับว่าเปิดโลกงให้เห็นทะลกผุตรงมือจะลืมตรงไหนตรงไหนเรื่องสัจธรรมเรื่องความจริงารเป็นผู้ยืนยันเพราใจทป็ูรู้ผู้เห แต่ว่างั้นคนจำไม่ได้ขันนี่เสือม่ใช่เลยขันนี่ขันรุดขันนี่ขันรุดเนี่ยมันหลายขันก็ต้องํานรุดขันหลายขันเนีันขันยาขันนี่ขันรุดความจำไม่ดีรู้ประคังนมาขั็รุดเห็นดีวางต้องอดนอนทุกวันเดือนที่แขันยิ่งเพิ่มขึ้นอีมากเลยเนี่ยขันยาขันแตรดขั้าขันขัรงมัน วิขันกะาตาช่องต่างๆถ้าช่องเราทะุไดิญญณมันกระจลนอนี่มันมีรับได้หูดีตาดีเสียก็รับไ้จมูกยั่ดีเสียล้ยังดีเสียตาดีเสียงแต่ผ่านได้ท่งานนั่นก็ทำมรู้ ให้ด้นหนักเนภานะงานนีน่เป็นาป ง, นงานสำคัญรครับผมเห็นเป็นสำคัญยิ่งเดียวผมเห็นงานใดสำคัญย่องงานชนะแล้วมั่เห็นงานผลงานใดที่เลิกยิ่งของงานผลงานของภานะถ้าเอาตรงนี้เขาจะว บ, บ้าบอกระตาจิมนนันหนักแน่นจรไม่มีอะไรในโลกทั้งสามจมาขอสิตป่อยอสัมมิามา้านะความหนักแน่นนีน่านานากาเรื่อแน่น งานได้นั่งสำคัญงกวางานทอนนี่หนึ่งผลดไม่มีสำคัญยิกับาผเกิดขึ้นจากการทางานนี้ถอนไม่ขึ so s <S <Türkiye> ้นเลยความโดยสั่งถอนทังหมดแ้แต่เราเองไม่เห็นคนใจจะถอนวะอะไรใครจะมาถอนไม่เชื่อนั้นเพราะเราเคยดำเนินอาแล้นั่นอีกสองเรื่งท่านปัญญาไม่มีอะไรพูดนะมือั้ย